เร า, าอยู่ว่าง้นหาวิชาเอาไว้นะหาเรื่องนั่นจำเงี้ยพ่อาถามอะไรแล้วก็เห็นวิชาแล้วเลยตอบกระชั้นไปยาว เ, เร็วๆเนะี่ยมีเยอะไหมที่ที่คุณยายคนวิชาแล้วหลวงพ่อไปเทศมีเยอะมหเยอะค่ะเยอะยอะัยะ็ได้บุญด้วยครับยายยังมีจําได้ไหม จำได้ทักงเรื่องสองเรื่องไหมได้ลเลยคนเยอะอ่ ะ, ะวันหนึงโอ้คืนหนึ่งหลายอย่างนะสี่โมงนะหลวงพ่อก็เอาไปรเทศอถามเวนนี่แล้วไปถามเวนเวนหนึ่งถามเวนสองเวนสามเวนสี่ถาอ่ะจังวันดวเดียวเดียวที่คุณยายบอกบอกว่ะเป็นอยู่ในหนังสือเทศ อยู่ในหนังสือเทศมีครัยรู้ล้เป็นหนังสือเป็นหนังสือขึ้นมาแล้วเทศเรื่องอะไรต่ออะไรหลวงพ่อท่านเทศส่วนมากเทศเกี่ยวพวกข้างในอ่ะข้าเทศเกี่ยวช้างข้างในอีก็่านเข้าไวแล้วอาจจดนะละยังอาจจะเทศว่ารวงดวงดวงวุ่นดวงบาปเนี่ยอาจได้ แล้วหลังจากที่หลวงพ่อเสียแล้วนะครับค่ะยายยังทําวิชาอยู่ติดในโรงงานอยู่แบครับทําได้ร้อยวันทำได้ร้อยวันที่ก็หนีเขาเลยอ๋อไม่อยากอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนครับก็มาอยู่ก็อยู่ที่อื่นี่นะอ๋อจากจากนั้นต้องมาอยู่นี่ตลอดเลยใช่ไหมครัค่ะหลังร้อยวันนะครับอ๋อบอกว่าได้ร้อยวันแล้วก็ยายหลวงพ่อ จะคุณย่า่ยังคุเลด้คุณไม่น่าหรอกมีคนไม่น่าเก่งอะ่ะเนอะเขาว่าเอาข้ า, ขาวแาบแกล้มของชายไก่รดมาให้แค่มีเงินมาห้าร้อยเนี่ยแหละมาที่นี่นะแล้วก็เลิกเพื่ออยู่นั่นแล้วก็ถ่อวิชาก็เก่งนะะี่แหะนะเขาเตรียมเงินไว้ให้มาหลุ่นเนอามาถามักเอามาปลูกเงินงหมื่นเนงินเงินห้าร้อยยังมาทำบุญกับเขาไปอีก ปอดเป็นตางันเลยค่ะเนี่ยแล้วกน็น้งทงังที่ไตวันมีมีคนหนึ่งเข้าเสียไปนานแนละ้วเขาอยู่ที่เนี่ยเข้ามาที่เป็นูกศิบคุณยายแต่ผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรเป็นคนจีนนะใจดีตะแปะนานแล้วนะนะเสียไปนานแลใครอ่ ผู้ชายเหรอฮะผู้ชายที่ลูกออลูกเขาขายลอตเตอรี่ไงนี่แหละนี่เขามาทำหุระที่นี่อ่ะเราทห้องนี่น ะ, ะนี่แลหละฮะโอ้แต่แกแกตาสงบเนี่ยสงบมากชัาก็ใครเขาอกที่ใครมาหาาจารยก็มาไงฮะมาเป็นสามคนถือกันมาไปวิงมาทั้ตัวอะไรนี่นะคะ มาถึงเห็นกเห็นหมดเชิงข้าไอ้มาแล่นายเขามาอย่างไรล่ะเขาบอกเาจังปมากนะแต่แต่ที่บอกก็นายกลับนายแล้วลุงมือเช้ า, า, าเขาก็ายุบวนเลฮะยุบวนเอามารถสารอบก็แท น, นนะั่นแหะทีคนไม่เอามาแล้ว จะก็มามาจันย th ังแค่ hại นะแค่ h ายแค่คิดอาจารย์ผมจะทำอะไรอาจารย์ตักอย่างหนึ่งจะเอาไหมแล้วบอกนายเรื่องนี้นะแค่จะนายนายทำยังไงฉันก็อยู่ให้อย่างนั้นนะคะแค่จะนายก็บอกกูก็มานะ เันทำแหาจารย์เนี้เหมือนนาสามสามแปลงอีกแปลงหนึง่งเป็นข้าวเบาไปโขงนะข้าวก็มาเลยไม่มีรวงจะกิน อ, อ, อีกแปลงหนึ่งก็เป็นข้าวกลางอีกแปลงหนึ่งว่าเหมือนข้าวหนักน้ําท่วมมาข้าวหนักไม่กินจมหมดก็เหลือข้าวกลาง ผมเนี่ยเอาสายกลางนี่เนี่ยมาปลูกให้อาจารย์นั้นเราก็คุณน่ะคุณก็เลือกเอาสิมาอยาเอานาลุกมหรืออยาเอานาดอ น, ออ น, นี่เอานากลางก็แต่เอวเก็มาจะมาล่าหญ้ า, าเล็นนะผมชอบนากลางก็ น, นากลางก็ทําเลยสิแต่ก็มาทำไว้เนี่ยเรือ่องนายนายทำนี่อ่ะฉันทำไม่นายนี่อ่ะ ทาให้ฉันมีความสุขตายก็ต้องมีความสุขนะคะแล้วของอันนี้ชั้นตายยังไปไม่ได้นต้องทําบางดีมาทุกวันตของตั้งใจให้ปู่ทําดีก็ต้องทำมาทุกวันลูกก็ยังมาอย่ฮะสาวอ่ะ <c oughs> สาวมาแตลอดวันนี้ค่ะหัวก็เป็นอะไรไม่นี่นะ ก่อนตอนที่แกจะตายแกบอกให้ลูกไปพามาที่เนี่ยลูกมันก็ไม่พามาเือหมดแล้วไอ้คุณยายเออตอนนั้นคุณครูกีทานเนี่ยคุณครูกีทานเนี่ย เ, เขาเขาอยู่เขาอยู่ตอนช้านะตอนนะ่าเขาจะมาอายุสิบสี่สิบห้าแล้วเขาเป็นเป็นหัวหน้าเหมือนกันะ อ๋วพ่อเขาต่างคนหน้าแบบเดียวกันอ๋อแบบเดียวก<บ>ันอ่าแล้ว็วยอยู่คละเวรอ๋ออยู่คละเวรอ่อกยย่อะไรกันนะก็สองโง้าว่าเขาออ้าที่ไป อ, ออกวิ่ง่งทีก็มาได้อาบน้าหลับค้นหลับคอยอยู่ที่โบสถ์เต็มมาแล้วไปไปสอนเขาได้ทำว่าก็ตอบให้เขา ส่โมงเย็นสีโมงเย็นก็เลิกนะคะสี่โมงเย็นเล้กก็อาบน้าอาผ้าเรียบร้อยแล้วห้าโมงอ้าโมงก็เข้าที่อีกจนึ่งลไม่หาเหตุถามผลยองงี้ก็อดเฮ้ยเ่ี้ยงดนแล้วค่ะ เคยไหมหลวงพ่อเคยเกิดกดคุณยายไหมฮะเคยกดธคุณยายไหมโกรธจีฮะกรนะโอ้ตอนนั้นลมพายุมันมาวูวเสียงสนานร่านไวเ้เลยใครก็ไม่รู้เอาไอชิปปูบเนี่ยไมโครโฟนฮะไมโครโฟนอ่ะเรียกแค่คนเดียวเนี่ยนั่นเอาไมโครโฟ น, เ, นเรียกเนี่ยเรียกนะ ก้าวหน่อก้าหนอสิบน้อโอ้ยฉจอ่อนใจต่กบัวอุตสูเองเหรอฉันต้องตัว่ะยัยแรงแล้วลมหยุดมาแล้วลมพัดโหลมพไปด่านหน่องันะกบัวอุตสูเหรอโอหวนละก็ข่าก็ใสไอ้นี่แล้วนี่นาก็นหนอมันก็ไม่ได้ยินเราโหมัน ้องพาอไม่เปิดกลุมาะเปล่าเปล่าอ๋อไม่เลยเปิดเสียงอ๋อจะให้แก้ไะมสังสังยังให้ทำยังไงยังไงสิคะคุณยายไปไหนคะคะคุณยายไปไหนคะก็แค่ก็นา่งคนที่เนี่ยนั่งคที่เนี่ยนั่งที่ยด้วยหนุกเนี่ยเรียดะชันเนี่ยไอคำว่ายังไงยังไงราบอกวิจาเะี่ก็ไม่ได้ยินเนี่ย คัก็ยัก็งู้งามน้หานหนอมัก็กูถวเหล่อมนกูห่วลก็ข่าเขให้ไงค่าก็พูดมันก็ไลยไดยินอะเขาบอกว่าเปิดกดไอปุ่มป่าป่าวไอ้คนมาให้ก็ไหบอกท่านหกรนะือกรอไรท่านเอยเว้นจากคุณยายแล้วมีใครไหที่หลวงพ่อใช้มากฮะ มีมีชีองคไหนมั่งที่หลวงพ่อใช้ใช้มากเว้นจากคุณยายแล้วมีอีกไหมมาลุยต อ, อนที่ที่เตอวิชาใช่ล้วค่ะนะคะเล่ามันหมดน่ะล่าเขาหมดก็จะแท่นั่งเขาที่เนี่ยใครจะถามใครแล้วใครก็รู้กันลนวะไม่รู้แล้วคุณคุณหลวงพ่อเคย ชมคุณยายนะค่ะชมคุณยายบ่อยไหมโอ้ยฉันไม่ใจพอไม่ทันน่ะล่าเน่งของแม่ล้วา่นะฮะมาดูมาฟังข้างรั้ว่ะอะไรไม่หมดมาฟังเหตุฟังผมผู้หญิงเาฉะท่นเราขอบใจน่ะผู้หญิงไม่ได้ละค่ะญาธรรมะผู้หญิงไม่ได้ ที่ได้แล้วนะคะได้เรื่องนี้แล้วยังไม่เอาเรื่องนี้วเอาเรื่องนี้เนี่ยเอาไปสอวันหน้าไมาอีกก็ไม่ได้นะคะใหญ่แล้ ว, แ ล, วญญแล้วหลวงพ่อเคยใช้คุณยายให้ไปที่ไหนบ้างไหมฮะฮะหลวงพ่อเคยใช้คุณยายไปที่ไหนบ้างไหมฮะเรื่องต่อธรรมะเรื่องอะไรเนี่ยวันใต้ก็ไปชายก็ไปก็ไปดีกลาง ก็ไปรูผุ้นิจจ้าพระอรหันต์หรือหันต์อะไรเนี่ยไ่เนาะที่เราไม่ได้ไ่แล้วกันไ่ไปสอนที่ไหนบ้างคะฮะหลวงพ่อไผ่ไปสอนที่ไหนบ้าง้าไปรูเหตุผลไปเรียนวิชาเดยวผู้จจ้านิชาไปสอนคนอื่นนะคะคุณยายสอนธรรมะคนอื่นนะคะหลวงพ่อไผ่ไปสอนใครบ้างที่ไหนฮะกอน่อเมืรอเน่ยลงไปสอนมา อวัดวัดเป็นแพวัดทูเวียงแล้วก็วัดโทแล้วก็ไปโนโโโนัชโนโพสีด้จังหวัดอะไรจังหวัดสีาจอจุดพันนะฮะนี่ไปแล้วก็ <c oughs> อันนี้อยู่ตรงนี้เขาอ่ะโอ้ยไปสี่มาคนเป็นรอยอย่างเง้ยข้าขอย่างี้เป็นเรือแทงนี่ยขาวไม่ที นันเราไม่ได้ฉันก็หน่าสอนแกโรคหายกันวู้หายก็ยกจะตับว่าจะเอาอะไรนันเราฉันต้องมาสอนนะมีข้าวมีกระปิกมีน้ำปลามีปลายิงดีมีเสบัวแล้วก็ยิงดีเอาว่าทำให้ชาต้องานะตายเกาแช่มาเลยนะฮะคนมาไรเรื่อยนะมาทอดปลาอันนี้ก็ออไปอีก นี่คนหน้าทางโรงงานเน่ะเขาก็บอกว่าถ้าใช้น้อมอ่ะตื่นตัวเดียวก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวหลวงพ่อใช้ไปยังได้ขลอะไรว่าเออสิ่นก็ไม่รู้นี่ต่จะเลิกไหยเห็นเรือก็ะถินไอเรือกระป่ามาอ่ะเขาก็บอก ของเลือกท่านทำอะไรไม่ได้อต่อวิชาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วออกันนะแล้วบอกนี้จะมีเยออะไรกันนะแล้วพิ่ออกพะเนยก็จะออกเื่อบุีก็ออกน้อมแล้วบอกเจ้าพระนอมแล้บอนทําธรรมน่ะนอมไปอธิบายยังไง ว่าไปฮะว่าไปเออทำงานเงียบนะร้องไม่จะว่าใครก็ฟังผมพ่อบอกนะอ่ยอ่เงียบๆหน่อยไม่ใช่จประห่าเลยนะคะเราอที่หลังพ่อ่ะฉันก็บอกว่าฉันก็วิชาทำแล้วนะคะ ชาวราก็ว่าวิชาทำนี่ยหละชาแปดชั้นนี่ยะนะฮะทำวชแปดชั้นทำวี ทังไหนแล้ววะน้องมาไปสอนแทนหลงพ่อได้เ <c oughs> <c oughs> ออน้องสอนไปสอนแทนหลงพ่อได้นะ <c oughs> คนคนอิจฉามากก่อนทีว่าเออน้อตะละอบเออเอเรื่องอะไรกันนะแม่หพ่อเออจังแล้ว ด, ดายเลยดีสองคนโดนดุแล้ว น, ะอน้อมเจะาหาน้อมอะ่ะพุ่มข่าวบสมวัดได้แล้วแล้วก็ตกใจโอ้มนี่ข้าวดี่ล้วมาท า, าดูวันนี่เจ็บไปหาหามากันเนี่ยไม่ใช่ข่าวผมข้าวผนของวัดทั้งหมดแล้ว ก่นน้องแุ้มขาก็บปกว่าแล้วผมนั้นพอออกมาเขาแปดกเย็นเดียวเลยอุอ้มเด้นเน็กหนอนคนเดียวอ่ะเขไม่รู้กี่เลพ่อจะวางไงต้องฟังเอาดิุ <laughs> ้มขากมดตก่นน่ะน้องน้องอ่ะไม่รู่มีหู่กี่อนก็แล้วแต่ฟังน้องอุม้มลูกยังไงา อราละอธิบายหลวงพบบ่อฟังสีถ้าไปหาศาเดิน่าบนหน้ายายเราพนักบ่อุม้มล่มอุม้มไปยังไนะงเนี่ยแล้วคนก็อุ้มอาบน้ำนอุ้มนอนองค์ทางคนก็อุม้มแลก็ทนันเราองค์ทางคนก็อุม้มไปโนต้ตไปนี่อุอ้มนอนแหมมึงเยช่างเลยอุ้มเนี่ย ค่ายพมูใช่ากสีเขาบอกค่าไม่ใหญ่หรอเฮ้ยเอาอะไรมันอ้วเยอะใหญ่แล้วนี่นะให้ไม่ไปนะอย่ให้เงียบๆนะล้วก็เขาตีเขาบอกพุ่งยาวมือซุ่นถามมองฉัน อุ้มยังอุ้มยังไง่นขาอุ้มลูอุ้มยังไงเพ่อนาแล้วพี่เจ้าของเจ้าวะก็อุ้มีดสิอุ้มหีไอ้แบบแลวกเดียวน้อมได้เรื่องอะไรแล้วล่ะได้เร่งี่ยางบอกได้แล้วอุ้มยังไงอุ้มลูกอุ้มยังไง อุ่มผีใช่ไหมเออถูกต้อุ่มผีแลเออเนี่ยถูกต้องมันเป็นทูนหาทูนจ้าไปเรื่องละค่ะแล้วทำยังไงหามาจารย์เลยกันโูกสองสามเวนอ่ะอุ่มนอนอุ่มเที่ยวอุ่มอาบน้ำอุ่มไปนอนอุ่มไปนี่อุ่มอุ่มไปเยอะยัง ถ้าข่าวหนังเขาถีบมาชมเนี่ยเงียบๆนะงั้นจะเ อ, อ, อ, อ, อ, อาทีที่ถีบพุ๊บก็ถึงแป๊นเลยนะคะหลังฉันก็คือว่าโทนถามก็อองเนี่ค่ะอ้มลูกในอุ้มยังไงก็ยังค่ะแล้วอุ้มลูกก็อุ้มผีสิ โอ้ก็เท่าโศก็โดนตาโถกาดีไม่ดีไม่ดีก็โดนโดือเนี่มาได้ก็เดี๋ยวน้องในเรื่องอะไรอ่ะบอกได้เรื่องแล้วอุ้มยังไงอุ้มผีมันต้องยังงั้นสิวะเราให้รู้เท่าทันตัวจะไม่หลงลูกแต่เท่าทันแค่นี้นะคะอุ้มลูนก็อุ้มผีตายแล้วก็เป็นผี คือว่าฉันํนำคานน่ะํำคานพวนั้นน่ะแลาก็อธิบายให้ไปรู้นั <c oughs> ้นก็ถกตออุ้มผีสิหนอมยายเหนื่อยแล้ววันนี้อะไรนะากจะขึ้นไปถึงวันพรนิทานนี่นะคะนิทานที่หนึ่งนี่นะคะ ออกจากขันรามฐานะคะก็ไปถึงขันมีปัศนามีปัศน า, า, น, านี่ขันประโคดภูขันพระโคดูนี่เป็นที่เจ้ามากมายมนาเลสไซที่ชอบมหาสมุทจันทีว่ามากหรือขันได้หนึ่งมากกว่าเวเลสซชสมุจันนะคะ น, นี่อยากจะดู ต้วงตัวเองเอาผนไปฝันเนี่ยไปใช่ไปเดินที่หลวงพ่อที่เ จ, จ้าพามนุษย์เนีนยันโดยเหตุเอาผนเนี่ยไปเดินดูที่หลวงพ่อที่เ จ, จ, จ้าแล้วก็ จ, ะจะํานกออกในกายรามาอย่างนี้เองนะค่ะ อ, อันนี้ก็จำจำการนะเอียที่ไปเดินนะคะไปกะดุก อ, อ, อ, อ, อ, อะไรบ้างอะไรบ้างแล้วก็จำ ไปแก่ ว, ว, เวเราเอเินเลยได้นะคะวันนี้ก็เป็นจีนงั้นนะค ะ, ะ, คะก็เป็นรวยอย่างรวยกันนั่นแหละ ค, ะะคะ่ะมาลนะะลกววันนี้นะถะ้ายกวก็มาแล้วคุณก็ไปดูเอาแล้วก็การมนุษย์ที่คนนั่งเนี่ยมันช่วยเหตุน ะ, ะเอาผลไปดูเที่ยวดู ผพิจารณาอย่างไรไปยังไง b ายังไงกลุ่มไปดูเอานางผู้หญิงผู้ชายมาเป็นทางการเนี่ยที่การถวายถวายเนี่ยแล้วก็บอกบอกถวายก็พระก็ตามทำถวาถวาพิจาาในอดีตที่วงล้้วลูกพนามเป็นไว้ชาตของเทวดาของางจงีช่างทั่วไป แล้วพี่เจ้าในอนาคตจะถึงต่อไปแล้วพี่เจ้าในปัจจุบันกำลังอยู่ที่นี่แล้วอาหารการกินที่คุณทำมาเวลานี้เคุณดูหมดนะทํางในอดีในอนาคตในปัจจุบันของอันนี้ยจะเลื่อนลอยไปในบุญญาลิศแล้วคุงดูนะว่าพู่เจ้าในฉั้นหกือเปล่าแล้วมาชั้นนี้ ถวายหลวงพ่อบันนรเุนธาตุธรรมของนี้ก็เลื่อนลอยไปถึงพระพุทธเจ้าสละ ร, รหัสละหันเลื่อนลอยไปครบสีครบตายครบชัยครบองค์ที่เครื่องและสมีสีสันที่ผู้ทำมาชาตินี้ถวายหลวงพ่อบรรจุนธาตุธรรมของนี้ก็เลื่อนลอยไปถึงพระพุทธเจ้าสละ ร, รหัสละหัน เ่วลาไปครบสีครบตายครบชั้นครบองค์ที่เครื่องและสมีสีสันที่ผู้ทำมาให้หลวงพี่เจ้าเนี่ยถึงหมดถึงปัจจุบันเป็นองค์ธรรมกายหลายองค์วัตถุธาตุเรื่อาทำแล้วสวายนามวัชุนีนามวัชุนีนี้ไม่มีใครเอ่ยสวายอ๋ไม่ให้เลยขเขาไปกัน ไปดูเขาก็ไปดูไปเห็นเน้อชันของอันนี้โอ้เลื่อนลอยไปในบุญยลิอยไปเต็มสามโคเดียวก็มีพานเลยเห็นค่ะเห็นเห็นผ่้ไดทานะคะอันนี้แล้วถวายฝ่ายฝ่ายทาแล้วมีนก็มาถวายฝ่ายโลกฝ่ายโลกอะถวายจึงจะจากมหาจากรอุดมารมณ์เราพุทธจากถวายกายติ ไอ้สิที่อยู่ในแสงโกฎจกักรวาลที่แล้วนี่อยู่จกักรวาลเดียวนะคะไอ้สิที่อยู่ไอ้สิ์ก็จักรพรรดินี่อยู่ในแสงโกฎจกักรวาลของอ น, นันต์จักรวาลอันนี้ก็อนันนี้นะของอันนี้ถึงหมดไอ้สิจักรพรรดิจะไปอยูยย่ไปอยู่ซึงแสงโกฎจกักรวาลของอ น, นันจักรวาลมีมากน้อยเท่าไหร่นาารเนี่ยอาหารอันนี้ถึงหมดเขาไม่เห็นได้หมดเลย เเอาเอาเทไปอัดไปเลยเห็นจริงๆไปทีวาเียไปลาบุยาฤนะจะไม่มีบุญของนี้ไม่เด อ, อยไปหรอกเียดีค่ะคำทงหล า, ายนี่นะคะเอาเนล่ไม่ยากไม่ง่ายหรอกแล้ว ว, ว้หลังละก็ ว, ว่าผมกลัวไปกับคำเรไปนะเพาขับรถต่างหวัดไม่ไม่ไม่ค่อยเคยขับขับต่างงหวัดะเนี่ยนเะขาหวายนี่เนะี่ย ไปจริงๆตอนนี้เขาเข้าวายแค่นี้แหล่งดูแ้วไม่เห็นถึงว่าพูดพีทเจ้านะอดีตในอนาคตในปัจจุบันเลยก็เข้าวายแค่นี้รลึกสอก่ในชาติก็ไม่ถึงในทรรมก็ไม่ถึงเขาลเข้าวายดูมั้ยแล้วไม่หัวขยัเราเคยได้ฟันที่ปวดที่เขาว่าว่า่แล้วเราไปทานตอนกินนะทำวันนี้นะคะแต่ไม่เก็มนะ วันทุกวันละวันเนี่นได้เรียมาปลากดเลยเวลาครบไม่มีมาไวหลังสิก็ให้ฉันอัจไวฉเกียดนะมันเหนื่อยอ่ะเขซื้อเท่มาให้อ่ะเพราะว่าขับรถกลับว่าประมาณหืมเกลียมาสามชั่วโมงเนี่ยคุณยายธรรมะแล้วนะฮะคุณยะเห็นแล้วคุณยายโอ้โหไม่กด้ขับเร็วก็ไม่กลาบทางเนี่ยยังไมสาย มาแต่กี่ร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติเนี่ยชุงอย่างนี้มีเป็ยงสิบคนเ่ะก้วิญายก็ไม่ไวสวายที่วัดองาหน้ามาวุฒิะข อ, อเก่งชาติหลังอยากวิญญาณ ไ, ไหมนะคะอกเนี่นนนนนนนยยังให้เขา้ามาอยู่ข้างๆันฉันนันี้ยังก็สวายไว้ฝั่งน้าแล้วแบบวัดฝั่งน้ำเข้าวัดธรรมอามั้ยยังก็ทาได้แค่นี้อ่ะกำลังยังมีเท่านี้แล้วก็จะคุงก็จะมา แล้วเอาปมเอาปมแต่กหามาด้วยที่หลาที่นี่นะคะไอยา อ, รร อ, ะอะไรก็ชื่อผมทอนสีก็ชื่อนอะไรอะยายาหลวงพโอชื่อเยอะจัง